พูดถึงพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะคือเราได้กล่าวมาในด้านที่ว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าโคดมนั้นมีขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะนับตั้งแต่บเบื้องต้นะก็คือมีขึ้นได้เพราะอะไรเพราะพระองค์รวบรวมธรรมะสมโมทานประชุมธรรมะแปดประการเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะได้รวบรวมธรรมะ สมโอาน8ประการความปรารถนาของพระองค์จึงประสบความสําเร็จคือถ้าหากว่าไม่มีการตั้งความปรารถนาหรือการตั้งความปรารถนาที่ไม่มีคุณสมบัติทั้งแปดประการการตั้งความปรารถนาอันนั้นก็ย่อมไม่ประสบความสําเร็จความปรารถนาของพระองค์ประสบความสําเร็จเมื่อพระองค์รวบรวมประชุมธรรมะแปดประการได้คือพระองค์ได้เป็นมนุษย์เป็นผู้ชาย เป็นนักบวชแล้วก็มีอุปนิสัยที่จะบรรลุอรหัตผลในชาตินั้นนะมีอภิญญาห้าสมาบัติ8แล้วก็พบเห็นพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตสละชีวิตแด่พระพุทธเจ้าสุดท้ายก็มีใจรักปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเมื่อครบองค์8ประการความปรารถนาที่บอกว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นต้นนั้นจึงสําเร็จ เรียว่าเป็นกลายเป็นนิยตโพธิสัตว์นี้เมื่อท่านเป็นนิยตโพธิสัตว์กิจอันดับแรกเบื้องต้นของพระโพธิสัตว์พึงปฏิบัติก็คือการค้นคว้าพิจารณาถึงบารมีคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกัลกะธรรมรวบรวมเสาะแสวงหาใคร้ครวญถึงกิจที่ตัวเองจะต้องทํามีอะไรบ้างก็รวบแยกแยะพินิจพิจารณา ละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ก็เห็นบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัฐปา ร, ะ ม, ะะปารมีสิบเนี่ยนะแล้วก็มหาบริจักเป็นต้นซึ่งเป็นคุณธรรมเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณแล้วก็มีการสมาทานถือเอาบารมีทั้ง1ิประการนั้นเรียกว่าเป็นการสมาทานที่ไม่มีการสมาทานไหนจะเสมอเหมือนเรียกว่าสมาทานสร้างบารมีเนี่ยแผ่นดินไหวมั้งนั่นเถอะ แปลว่าจิตใจนี่ตั้งมั่นถึงขนาดเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าเป็นนิยตโพธิสัตว์หลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีทั้งหลายนะคราบเหงื่อนี่ถือเรื่องธรรมดาคราบเลือดคราบน้ําตาสละร่างกายและชีวิตเนี่ยนะชาติแล้วชาติเล่าเสียงเลือดเสียเนื้อเสียเหงื่อเสียน้ําตาเสียร่างกายเสียอวัยวะขนาดภายในยังสูญเสียจะกล่าวไปยายถึง ภายนอกเนี่ยนะไม่จําต้องกล่าวถึงเพรา ะ, ะสูญเสียทุกอย่างน่ยนะแต่การเสียเหล่านั้นเป็นการเสียแบบคนเสียแล้วได้บุญที่จริงของเราเนี่ยนะอยู่ในวัตฏะกันมาเนิ่นนานละถูกเชือ้อถูกเชือ้อถูกประหัดถูกประหารเสียเลือดเสียเหงือ่อเสียน้าตาเสียสารพัดเสียแต่ไม่ได้บารมีเอ๊มันเกิดอะไรขึ้น น, นะนีของท่านท่านก็อยู่ในวัตฏะแล้วท่านก็สร้างบุญจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือคิดไม่เหมือนกันพานและบัณฑิตทั้งหลายคิดไม่เหมือนกัน บัณฑิตนั้นคิดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคิดให้ตัวเองได้รับประโยชน์คิดให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์คิดให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ท่านเมื่อท่านคิดอย่างนั้นท่านจึงสร้างบารมีได้สําเร็จแล้วก็สร้างสําเร็จจริงๆโดยใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกับเรียกว่าท่านจะอยู่ในระดับแม้กระทั่งเป็นเดราชานก็สร้างบารมีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมสร้างบารมีในเรียกวา่ายาวนานมาก และต่อเนื่องต่อเนื่องยาวนานทำแบบเรียกว่าชนิดแบบแบบแบบจริงจังเนี่ยนะทำแบบชนิดจริงจังทุกอย่างก็เรียกว่าที่สุดของการให้ทานก็คือให้ชีวิตที่สุดของการรักษาศีลก็รักษาด้วยชีวิตที่สุดของการออกบวชหรือเนฆามะก็เสมอด้วยชีวิตเสาะแสวงหาปัญญาทุกอย่างเอาชีวิตเข้าแลกหมดเลยเนี่ยนะ ไม่ต้องพูดถึงเนื้อเลือดเนื้ออวัยวะสรีระทรัพย์สินบุตรปริยาเป็นต้นไม่จำต้องกล่าวถึงตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับนะจบจนมาชาติสุดท้ายเนี่ยนะที่เรียกว่าเกิดพุทธกูลาหนขึ้นเทวดาก็มาอาราธนาให้พระองค์เนี่ยลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยโลกพระองค์ก็พิจารณามหาวิโลกนะห้าประการแล้วก็ จุติปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาอยู่ครบถ้วนสิบเดือนก็ประสูตนะิณสวนลุมพินีวันเนี่ยนะซึ่งเป็นหลังจากที่ประสูติออกมาหรือที่เรียกว่าคลอดเนี่ยออกจากพระคันเนี่ยพระองค์ก็ได้เปล่งอาสพิวาจาที่องค์อาจว่าพระองค์นี้เป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีต่อไปเรียกว่า ยังไม่ได้เจริญวิปั ส, สนาอะไรเลยแหละแต่ปัจเจกขณะยาณเกิดแล้วว่างั้นฮนะก็มีโจทย์ประเภทนี้ขึ้นมาเหมือนกันยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้อะไรแต่ไปปัจเจกขณะยานมาเนี่ยสุดท้ายแล้วบอกว่าโล่งอกโล่งใจสทัทีว่างั้นฮนะการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจบแล้วว่างั้นแล้วก็เรียกว่าปัจเจกขณะยานเกิดแต่ยังไม่ได้เจริญอะไรเลยเนี่ยนะมีอยู่ผู้เดียวคือพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้าย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็อยู่ครองเรือนโดยลำดับก็มีอัทยาศัยของผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่มีอัธยาศัยจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเห็นคนแก่แล้วก็สังเวชละมองเห็นว่าความแก่คือสิ่งที่เลวร้ายที่ที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องได้รับไอคาไม่ใช่ไม่ใช่ตาหนิคนแก่นะแต่มองว่าความแก่เลวร้ายตาหนิความแก่กับตาหนิคนแก่นี่ไม่เหมือนกันคาให้ดีนะ คนแก่นี่ควรแก่การกรุณาเพราะเป็นบัญญัติที่เราว่าบุคคลบัญญัตินี่นะบัญญัติว่าคนชราแต่ความชรานี่น่าตำหนิแต่คนชราน่าสงสารนะเนีราว่าชรามรณะกับคนที่ถูกชราครอบงำในคนละอย่างกันชราเป็นสภาวะธรรมคนชราเป็นบัญญัติธรรมบัญญัติชราบัญญัตนี่หน้าสงสารเป็นอารมณะปัจจัยของกรุณา เรียว่าทุกขิตตัสัตต์เนี่ยนะทุกขิตตัสัตว์แต่ถ้าเป็นความชราภาวะแห่งชราความคร่ําคร้าแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้เป็นสภาวะที่ควรแก่การติโดยส่วนเดียวนี่นะนี่ก็ท่า น, นก็คิดแล้วเออเราจะพ้นจากความชราอันนี้ได้อย่างไรเพราะนั้นท่านก็ขุดมาเลยว่าเกิดเนี่ยเป็นตัวเลวร้ายถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่อย่างนี้หรอกภาวะคือความเกิดน่ารังเกียจแท้เพราะที่สุดของความเกิดมันก็ ความชราอันนี้ได้ท่านจะไม่เอาอกว่าใครใครแก่ความแก่ของใครใครเกิดความเกิดของใครปั้นท่านจะไม่คิดแบบปุตุชนทั้งหลายคิดปุตุชนนี่จะมีคำว่าใครผู้ใดของใครอยู่ตลอดลจะมีอ่าเรียกว่าเพราะปุตุชนทั้งหลายอยู่บนพื้นฐานแห่งส ก, กายะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเห็น้วยความเป็นตนหรือเห็นเป็นสัตว์เป็น สัตตปุคละเป็นต้นแต่ผู้ที่อบรมปัญญาบอกว่าสภาวะคือความแก่มาจากสภาวะคือความเกิดความชราแห่งรูปมาจากความเกิดแห่งรูปเนี่ยนะความชราแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เกิดมาจากความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารและวิญญาณเพราะฉรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยถ้าเกลียดความชราก็ต้องเกลียดความเกิดด้วยความเกิดจึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ อันนั้ัอีกภหนึ่งก็ไปเห็นคนป่วยเข้าโอ้ยความความเกิดนี่มันเลวจริงๆเลยเนะยเลวร้ายมากถ้าไม่เกิดจะแก่จะป่วยอย่างนี้หรอือความเกิดนี่เลวร้ายมากเ น, นะนะเพราะอะไรเพราะผลผลิตของความเกิดก็คือความแก่และความป่วยเจ็บปวดทรมานแล้วเกินก็มาจากเกิดนี่แหละไปเห็นคนตายปั๊บหมายความเกิดนี่ช่างเลวจริงๆเลยนะถ้าไม่เกิดจะแก่จะตายอย่างนี้ไม่ล่ะไอนน้ถ้าไม่เกิดจะทุกข์แบบนะ ปัจจุบันนี้ใครบอกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าหม่มุทิตาด้วยนะยินดีด้วยนะทําใจได้ยังไงแบกน้ําหนักขนาดนี้ได้ทุกวันนะนี่พลิกลุกพลิกยืนพลิกเดินพลิกนัง่งพลิกนอนตาก็ต้องบํารุงหูก็ต้องบํารุงโอ้ยทุกขนาดนี้บอกมีความสุขคิดได้งไงไม่รู้นะเก่งอย่างเลย คนที่คิดว่ามีตัวมีความสุขเนี่ยคิดได้คิดเป็นอ่ะนะคิดเก่งมากอ่ะนะาาเรียกว่าแมเลียนน้ำผึ้งแผลบเข้าไปลิ้นเนี่ยสี่ห้าแฉกไปแล้วบอกมาอร่อยจังเลยเนี่ยนะเออคิดเป็นจริงเนี่ยนะเข้าใจคิดแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่ามันอร่อยตรงไหนมีความสุขตรงไหนบ้างมีแต่ความทุกข์ทรมานเนี่ยนะมีแต่ความเจ็บปวดนั้นยัง อู้ยปรุงอาหารอร่อยจังเลยถ้าเป็นคนตั้งกับปลูกผักมาเองจนถึงล้างชามเนี่ยนะดูแลทั้งหมดจะรู้ว่าเนี่ยแหละอร่อยแค่เนี่ยแหละตั้งกับปลูกผักมาเลยนะเพื่อมาผัดเนี่ยผ่านรูปลิ้นไปนิดเดียวเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้แช่แบบแช่อินด้วยนะไม่มีใครเอามาแปะไว้ในลิ้นแบบลูกอมนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกนะก็ลูปผ่านลิ้นไปแล้วที่เหลือทุกต้งนั้นทั้งก่อนและหลังด้วยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละ แล้วแต่แล้วแต่ว่าโบหารบัญญัติอาจจะได้บุญเก่ามาดีอาจจะเห็นซุ้ยเห็นสีที่ดีฟังเสียงที่เพราะรู้กลิ่นที่อร่อยบางแต่แทสรุปสรุปก็ชราและมรณะเนี่ยนะทั้งพระองค์เนี่ยทั้งคิดได้พระโพธิสัตว์เนี่ยทั้งคิดได้เมื่อท่านคิดได้อย่างนั้นเข้าเออทํำยังไงนาะคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามจากความเกิดความแก่ความตายก็คือทำที่ดับความเกิดต้องมีแน่ทำที่ดับความแก่ความตายต้องมีแน่ ท่านคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามในะสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออะไรถ้าใช้ชีวิตเช่นกับปัจจุบันเนี่ยจะพ้นจากความเกิดความแก่ความตายเป็นไปได้ไหมซึ่งตอนนั้นท่านมีโจทย์อยู่อย่างเดียวคือเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีสักอย่างหนึ่งสิที่ดับความเกิดความแก่และความตายที่มันตรงกันข้ามกับพ้นเกิดแก่เจ็บตายดับความเกิดมันก็สามารถที่จะใคร่ครวญแหละ ทางนั้นจะต้องมีอยู่เป็นแน่ทางนั้นคืออะไรก็เลยเรียกคาว่าบวชและแสวงหาว่าอะไรคือกุศลและสแสวงหาบทอันสงบเรียกว่าสันติบรบทเนี่ยนะเป็นชื่อของพระนิพพานบทอันสงบสงบจากชาติชรามมรณะโศกปริเทวะบทอันนั้นคืออะไรแล้วกุศลและธรรมที่จะให้เข้าถึงบทอันนั้นคืออะไรนั้นะคือคือโจทย์หลักของชีวิตเนี่ยนะคือพื้นฐานของ พระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ออกบวชเนี่ยท่านจะไม่คิดปัญหาแบบของเราใครเป็นใครเป็นลุงเป็นปะเป็นหน้าเป็นอาท่านมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหตุให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายทำยังไงให้พ้นเกิดแก่เจ็บตายเรื่องอื่นไม่ใช่ภาระของท่านทั้งนั้นท่านไม่ถือว่าสิ่งอื่นเป็นอุปสรรคเป็นภาระท่านคือกษัตริย์ใครเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรอยู่โชมชาติวรรณะ้นไหนจนมั่งมีร่ำรวยท่านไม่ใส่ใจเรื่องนั้นแม้แต่อย่างเดียว ใส่ใจแต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายไอ้ที่สุดของความเกิดแก่เจ็บตายมันคืออะไรใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะเนี่ยนะใครจะเรียกจั ก, กรพรรดิใครจะเรียกเจ้าชายใครจะเรียกท่าเรียกกันทานเรียกกรมมกรเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแต่สิ่งที่พระองค์ใส่ใจอยู่สาระคือล้วนๆนะนะก็คือทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์จะคือทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรเนี่ยนะพระพุทองค์ก็เลยเรียกว่าออกบวชจนได้วิจัย เลือกเฟ้นจนรู้ว่าชรามรณะชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธทักษมิมีปฏิปทาแล้วก็วิจัยเลือกเฟ้นแล้วก็เลือกเฟ้นจนเรียกว่าสาระที่สุดที่จะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งชราและมรณะคืออริยมรรตอันประกอบไปด้วยองค์8หรือที่เรียกว่าโพธิปัจจะธรรมก<ๆ>็โพธิปักขยธรรมอริยมรรตอันประกอบไปด้วยองค์8 ด, ดนี่แหละคือสาระที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้ ตัสรูท้ที่ที่ธรรมะที่สุดแห่งชราและมรณะอันนั้นและทำยังไงผมก็เลยเจริญกุศลธรรมเรื่อยๆเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิมีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติผิดตอนทำทุกระกิริยาผิดตลอดผิดหมด มีคนที่คิดอย่างนี้ยังว่าเข้าใจถูกไหมทําผิดทุกเรื่องวิบัติทุกอย่างเลยนะตอนหลังมาฉันอาหารเลยปฏิบัติถูกบรรลุเลยไอ้ก่อนหน้านั้นหกปีไม่ได้สาระอะไรเลยคิดให้ดีนะแยกให้ดีหกปีนั้นเนี่ยเป็นหกปีของการเจริญอริยมรรทั้งนั้นเลยที่ผิดมีอยู่เรื่องเดียวคืออาหารไม่สปายะเท่านั้นเองอาหารกับอิริยาบถไม่สปายะที่เหลือถูกหมด นะที่ผิดคือเรื่องอาหารบริโภคอาหารน้อยกลั้นลมหายใจแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังเจริญตามเดิมวิจัยอริยสัจเช่นเดิมพระองค์บอกเลยพระองค์ไม่เคยเบลอเลยแม้แต่นิดเดียวนะตอนที่ที่ทุกขระกิริยาเจ็บปวดนั้นอะ่ะไม่เคยเบลอและไม่เคยเผลอไม่มีฟุ้งเลยไม่มีแบบฟุ้งซ่านหรือคิดปกติเนี่ยคนหนาวคิดอย่างไร คิดถึงความอบอุ่นคนหิวคิดถึงอิ่มคนที่ง่วงคิดถึงความหลับหรือแค่อะไรที่แต่พระองค์ไม่คิดจะออกจากวัตฏะอย่างเดียวในท่ามกลางว่าที่สุดแห่งทุกเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ที่ไหนและพระองค์ก็เห็นว่าเอ่อถ้าคุณธรรมบริบูรณ์ไม่ได้การตรัสรู้ธรรมก็มีไม่ได้เมื่อวิจัยเลือกเฟ้นไปแล้วรู้ว่าสมาธิสี่อ่ะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเพราะไม่ได้อาหารที่เป็นสั ป, ปายะแล้วก็อิริยาบถเป็นต้นไม่ ส ป, ปายะเพราะนั้นก็เน้นที่จะเจริญสมาธิสีเพิ่มปัญญสีก็ยังรักษาไว้ตามเดิมก็จะจนถึงก็แยกกุศลวิตกอกุศลวิตกวิจัยอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาสังกปัปปมิจฉาสังกปัปปาวิจัยเลือกเฟ้นเห็นแล้วว่ายังขาดอะไรบ้างขาดสมาธิสีเนี่ยนะก็คือร่างกายนี่มันเหน็ดเหนื่อยเกินไปเนี่ยนะร่างกายไม่คู่ควรที่จะรองรับได้แล้วก็โดยปกติวิสัยของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เป็นนิยาม ธรรมดาว่าจะต้องตรัสรู้ด้วยอนาปานสติเป็นบาทนะเป็นบาทที่จะบรรลุมรรคผลก็เลยทําให้น้อมไปเพราะบริโภคปัจจัยและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะต้องบริโภคข้าวมาทุกปายะก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะซึ่งที่เรียกว่าเทวดาเอาโอชาทิปเนี่ยมาหยอดเต้มไปหมดเลยมันจะต้องอาหารสัปายะชั้นเลิอแล้วก็ต้องสามารถที่อาหารรองรับชีวิตได้สี่สิบเก้าวัน นะอาหารนั้นต้องเป็นอาหารชนิดดีและประเนียที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องบริโภคไม่ต้องอะไรเลยอีกสี่สิบเก้าวัน